ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาสืบต่อไปอีกว่าดูก่อนอาน o n บุคคลผู้ใดปรารถนาซึ่งพระอระหังก็พึงยกตัวและห้ามใจให้ห่างไกลจากกองกิเลสเพราะพระอระหังท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสจะบริกรรมแต่ด้วยปากด้วยใจว่าอารหังอรหังแล้วเข้าใจว่าตนได้พระอระหังเห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศล จกได้ความสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานจะทำความเข้าใจอย่างนี้ไม่สมควรพระนามชื่อว่าพระอระหังนี้เราบอกไว้ให้รู้ว่าผู้ไกลาจากกิเลสจะถือเอาแต่พระนามว่าอารหังอรหังแล้วเข้าใจว่าตนได้สาเร็จเช่นนี้ไม่ควรเพราะคำที่ว่าอารหังใครๆก็กล่าวได้จะมีเป็นพระอระหังกันเต็มโลกหรือดูก่อนอานนท์ พระอระหังก็คือเราตถาคตนี้เองเหตุที่เราปราศจากกิเลสละกิเลสสิ้นแล้วเราจึงได้ถึงที่สุดแห่งพระอระหังองค์พระอระหังกับเราตถาคตก็หากเป็นอันเดียวกันจะร้องเรียกพระอระหังว่าเป็นเราตถาคตก็ไม่ผิดหรือจะร้องเรียกเราพระตถาคตเป็นอรหังก็ไม่ผิดผู้ใดละกิเลสได้สิ้นเชิงแล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าถึงที่สุดแห่งพระอระหังสิ้นด้วยกัน จะได้ถึงพระอระหังแต่เราตถาคตองค์เดียวหาไม่ได้จงเข้าใจองค์แห่งพระอระหังดังเราตถาคตแสดงมานี้เถิดข้าแต่พระมหากัสปัตภูมีอายุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอนนท์ดังนี้แลลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอนนล์สิ่งที่ให้สัตวโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสาร ทรมานทุกข์อยู่ในนรกและกําเนิดสัตว์ทิรฐิชานแล้วแล้วเล่าเล่าไม่รู้สิ้นสุดนี้มิใช่สิ่งอื่นคือตัวกิเลสและตัณหาล่อลวงให้ดวงจิตของสัตว์ทั้งหลายมิให้พ้นทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารและมิได้ถึงพระนิพพานได้ถ้าผู้ใดไม่ได้รู้กองแห่งกิเลสแล้วผู้นั้นก็จะประสบภัยได้รับทุกข์ในอวัยภูมิทั้งสี่มิได้มีเวลาสิ้นสุดดูก่อนอานน์ จงจับตัวตันหาให้ได้ถ้าจับได้แล้วเมื่อตัวต้องทุกข์ก็จะเห็นได้ว่าตัวเป็นอนัตตาถ้าจับไม่ได้ก็เห็นตัวเป็นอนัตตาไม่ได้บุคคลทั้งหลายที่มาเป็นสานุสิทธิแห่งพระตถ า, าคตนี้ก็มีความประสงค์ด้วยพระนิพพานการที่จะรู้ว่าใครดีหรือชั่วกว่ากันก็อาศัยกิเลสเป็นเครื่องตัดสินด้วยว่าพระนิพพานเป็นที่ปราศจากกิเลสตันหา ถ้าผู้ใดเบาบางจากกิเลสตัณหาผู้นั้นก <Ye and memorized aka> ็เ mm. ป็นผู um <uma> <Particip ates on> ้ดียิ um ่งกว่าผู้ยังหนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหาผู้ใดตั้งอยู่ในนิจจสินคือศินห้าผู้นั้นชื่อว่ายังหนาอยู่ด้วยกิเลสแต่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บางจากกิเลสได้ชั้นหนึ่งถ้าตั้งอยู่ในอุโบสถศีลคือศินแปได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สองชั้นถ้ามาตั้งอยู่ในทศศินคือสินสิบ ผู้นั้นได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สามชั้นผู้เข้ามาตั้งอยู่ในสีลพระปาติโมคืคอสีลอ2 7ีผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สชั้นผลอนิสงก็มีเป็นลำดับขึ้นไปตามสีลนั้นผู้ที่มีสีลน้อยอนิสงก็น้อยผู้ที่มีสีลมากอนิสงก็มากขึ้นไปตามส่วนของสีลบุคคลที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสีห้า ถึงจะมีความรู้ความฉลาดมากมายสักเท่าไหรก็ดีก็ไม่ควรจะกล่าวคําประมาแทแต่ 5. ผู้ที่มีศีลห้าผู้ที่มีศีลห้าก็ควรยินดีแต่เพียงชั้นศีลของตนไม่ควรที่จะกล่าวคําประมาทในท่านผู้ที่มีศีลแปดผู้ที่มีศีลแปดก็ควรยินดีแต่เพียงศีลของตนไม่ควรที่จะกล่าวคําประมาทในท่านที่มีศีลสิบผู้ที่มีศีลสิบก็ควรยินดีอยู่ในชั้นศีลของตน ไม่ควรจะกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีลพระปาติโมกท่านแลกเกนกล่าวโทษติเตียนท่านที่มีศีลยิ่งกว่าตนชื่อว่าเป็นคนหลงเป็นคนห่างจากทางสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานแท้ดูก่อนอาน o ์บุคคลผู้ไม่มีศีลปราศจากการรักษาศีลไม่ควรกล่าวซึ่งคำประมาทแก่ท่านผู้มีศีลตัวตั้งอยู่ภายนอกศีลแล้วมาเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้มีศีล แล้วกล่าวคำศพประมาทดูหมิ่นในท่านผู้มีศีลบุคคลจําพวกนั้นชื่อว่าเป็นเจ้ามิจฉาทิฐิใหญ่ชื่อว่าเป็นคนหลงทางเป็นผู้ห่างจากความสุขในมนุษย์และสวรรค์ดูก่อนอานน์บุคคลผู้ตั้งอยู่ภายนอกศีลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในระหว่างกิเลสยังเป็นผู้หนาแน่นอยู่ด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดมากมายสักปานใดก็ตามก็ไม่ควรจะถือตัวว่า เป็นผู้ยิ่งกว่าผู้มีศีลเหตุว่าผู้ที่ไม่มีศีลนั้นยังห่างจากพระนิพพานมากนักผู้ที่มีศีลชื่อว่าใกล้ต่อพระนิพพานอยู่แล้วถึงจะไม่รู้อะไรรู้แต่เพียงศีลเท่านั้นก็ยังดีกว่าผู้ไม่มีศีลอยู่นั่นเองเพราะท่านเป็นผู้บางจากกิเลสบุคคลผู้ที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้รู้มากแตกฉานในข้ออัดและข้อธรรมประการใดก็ตาม ก็ควรจะทำความเคารพยำเกรงในท่านที่มีศีลจึงจะถูกต้องตามครองธรรมที่เป็นทางแห่งพระนิพพานถ้าให้ผู้มีศีลเคารพยำเกรงในผู้ที่ไม่มีศีลและเป็นผู้หนาแน่นด้วยกิเลสเป็นความผิดห่างจากทางพระนิพพานยิ่งนักดูก่อนอานน์จะถือเอาความรู้และความไม่รู้เป็นประมาณทีเดียวไม่ได้ต้องถือเอาการละกิเลสได้เป็นประมาณเพราะว่าผู้จะถึงพระนิพพาน ต้องอาศัยการละกิเลสโดยส่วนเดียวเมื่อละกิเลสได้แล้วแม้ไม่มีความรู้มากรู้แต่เพียงการละกิเลสได้เท่านั้นก็อาจถึงพระนิพพานได้อันจากพ้นทุกขในนรกและได้เสวยสุขในสวรรค์และพระนิพพานก็เพราะละเสียได้ซึ่งกิเลสอย่างเดียวสิ่งที่ให้คนเราได้รับสุขในรับทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสครั้งระงับดับกิเลสได้แล้วเป็นเหตุให้ได้ประสบสุขและพ้นจากทุกข เมื่อละกิเลสไม่ได้สุขก็ไม่ได้ทุกข์ก็ไม่พ้นดูก่อนอานอนท์การที่จะได้ประสบสุขก็เพราะละกิเลสตัางหาที่มีความรู้แต่ไม่ได้ละเสียซึ่งกิเลสย่อมไม่เป็นประโยชน์แม้แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้มีความรู้นั้นแม้จะรู้มากแสนพระคำภีหรือมีความรู้หาที่สุดไม่ได้ก็ตามก็รู้อยู่เปล่าๆจะเอาประโยชน์อันใดอันหนึ่งไม่ได้ และจะให้เป็นบุญเป็นกุศลและได้เสวยความสุขเพราะความรู้นั้นไม่มีเราตถาคตไม่สรรเสริญผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีศีลผู้มีความรู้น้อยแต่เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลเราสรรเสริญและนับถือผู้นั้นว่าเป็นคนดีถ้าผู้ใดนับถือผู้ที่มีกิเลสว่าดีกว่าผู้ไม่มีกิเลสตกคนผู้นั้นที่ว่าถือศีลเอาต้นเป็นปลายเอาปลายเป็นต้น เอาสูงเป็นต่ำเอาต่ำเป็นสูงถ้าถืออย่างนี้ผิดทางพระนิพพานเป็นคนมิจฉาทิฏฐิการที่นับถือบุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลสว่าดีกว่าผู้ปราศจากกิเลสเราตถาคตไม่สัมเสริญเลยบุคคลจาพวกที่บางเบาจากกิเลสใกล้ต่อพระนิพพานเราตถาคตสรรเสริญและอนุญาตให้เคารพนับถือการที่ทำบุญทาทานทำกุศลปรารถนาเพื่อจะให้บุญกุศลนั้น พาตนเข้าสู่พระนิพพานถ้าไม่รู้ว่าบ่มเพนบุญกุศลเพื่อให้ช่วยระงับดับกิเลสก็เป็นอันบํมเพนเสียเปล่าได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทางแห่งพระนิพพานการที่จะถึงพระนิพพานต้องละกิเลสเสียให้สิน้นถ้ายังละมิได้ก็ไม่ถึงพระนิพพานถึงจะรู้มากสักเท่าใดก็ตามถ้ายังละกิเลสไม่ได้ก็รู้เสียเปราาเปล่าเราตถาคตตั้งาศาสนาไว้ ไม่ได้หวังเพื่อให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบำเพ็ญหาประโยชน์อย่างอื่นตั้งไว้เพื่อประสงค์จะให้บุคคลบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้ระ ง, งับดับกิเลสตัณหาเท่านั้นการบำเพ็ญภาวนาเมื่อไม่คิดว่าจะให้ระ ง, งับดับกิเลสตัณหาแห่งตนก็ได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทางส่วนกุศลที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนานั้นจะว่าไม่ได้ไม่มีเช่นนั้นก็หาไม่ได้อันที่จริง ก็หากเป็นบุญเป็นกุศลโดยแท้แต่ว่าเป็นทางหลงจากพระนิพพานเท่านั้นการกระทำความเพียรบาเพ็ญภาวนาทำบุญทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยเท่าใดก็ตามก็ให้รู้ว่าบาเพ็ญบุญกุศลและเจริญภาวนาเพื่อระงับดับกิเลสตัณหาของตนให้น้อยลงให้พ้นจากกองกิเลสนั้น <c oughs> เช่นนี้ที่ว่าเดินถูกทางพระนิพพานแท้ดูก่อนอานน จงพากันประพฤติตามคำสอนที่เราแสดงไวน้นี้ถ้าผู้ใดไม่ได้ประพฤติตามก็พึงเข้าใจว่าผู้นั้นเป็นคนนอกพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล้วจึงแสดงต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลผู้บำเพญ็ญศีลน้อยศีลมากประเภทใดประเภทหนึ่งก็เพื่อให้รู้ซึ่งการละกิเลสและยกตนให้พ้นจากกิเลสเมื่อไม่รู้เช่นนั้น ได้ชื่อว่าเป็นคนหลงส่วนผลอนิสง์ที่ได้บาเพ็ญศีลนั้นเราตถาคตได้กล่าวอยู่ว่ามีผลอนิสง์จริงแต่ว่ามีอนิสง์น้อยและผิดจากทางพระนิพพานถ้าเข้าใจว่าการรักษาศีลเพื่อจะยกตนให้พ้นจากกิเลสรักษาศีล5ได้แล้วจะเพียรพยายามรักษาศีล8ศีล10ศีลพระปาิโมเป็นลาดับไปเพื่จะยกตนให้พ้นจากกองกิเลส ทีละเล็กละน้อยตามลำดับเมื่อเราตั้งอยู่ในศีลประเภทใดก็ตั้งใจรักษาโดยเต็มความสามารถรู้ดังนี้จึงมีผลอนิสง์มากไม่เป็นคนหลงและตรงต่อทางพระนิพพานโดยแท้ดูก่อนอานน์กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นศิษย์แห่งเราตถาคตนี้ก็หวังเพื่อความระ ง, งับดับกิเลสไม่อยากเกิดในโลกสืบต่อไปเพราะกิเลสนั้น เป็นเชื้อสายสืบโลกบันดลบันดาลใจให้ยินดีไปในทางโลกครั้นเกิดมาแล้วก็ให้เจ็บไข้แก่ตายและให้ชิบหายพลัดพรากจากกันให้รักให้ชังให้อดให้ตีให้ด่าให้อยากให้ทุกข์ให้ยากเขินใจอาการกิริยาแห่งกิเลสเป็นเช่นนี้เราตาคตจึงอนุญาตให้บวชเพื่อความระงับดับกิเลสไม่ให้เกิดมีเป็นเชื้อสายสืบโลกต่อไป เมื่อรู้อย่างนี้แล้วตั้งใจรักษาศีลเพื่อให้ดับกิเลสและตึกตรองหาอุบายเพื่อทําลายกิเลสอันเป็นต้นเขาให้ขาดสูญการรักษาศีลพระปฏิโมกข์ก็ดีการรักษาข้อวัดในทุรงสิบสานั้นก็ดีก็เป็นอันประมวลลงในศีล น, นั้นทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะรักษามากมายหลายสิ่งหลายอย่างจนสิ้นจนหมดหามิได้รักษาศีลพระปฏิโมกข์ก็ดีรักษาทุโรงขวัดสิบาก็ดี ก็ไม่มีเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเพื่อความประงับดับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อรู้ว่ากิเลสเป็นเขาเงื่อนแห่งกองทุกข์กองโทษกองบาปกองกรรมเช่นนั้นแล้วข้อวัดอันใดที่เป็นไปเพื่อจะยกตนออกจากกิเลสได้ก็จงกระทาข้อวัดนั้นให้บริบูรณ์เถิดการรักษาศีลพระปฏิโมกข์และรักษาทุดงค์วัดทุกอย่างเมื่อไม่ได้เข้าใจว่าเพื่อความระงับดับกิเลส ก็ชื่อว่าเป็นการรักษาเ ป, ปล่าๆเมื่อเรารู้ว่ารักษาเพื่อระ ง, งับดับกิเลสไม่ได้รักษาเพื่ออย่างอื่นแล้วแม้จะรักษาแต่เล็กแต่น้อยโดยเอกเทศไม่ครบตามจำนวนในพระปฏิโมในจำนวนแห่งทุดงควัตก็ได้ชื่อว่าเป็นอันรักษาครบทุกอย่างเพราะจับต้นจับรากเงาแห่งกิเลสได้แล้วเปรียบดังปรุษตัดต้นไม้ถ้าตัดเงาตัดรากแก้วขาดแล้ว กิ่งก้านสาขาแม้ไม่ต้องตัดก็ตายเองถ้าไปตัดรอนแต่กิ่งก้านสาขารากเงาไม่ได้ตัดต้นไม้นั้นก็อาจงอกงามขึ้นได้อีกดูก่อนอานนท์บุคคลที่บวชในพระศาสนานี้ก็เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดต้นไม้ฉะนั้นการบวชไม่ใช่ว่ามุ่งประโยชน์อย่างอื่นบวชเพื่อระงับดับกิเลสเท่านั้นถ้าไม่หวังเพื่อความดับกิเลสแล้วไม่ต้องบวช ด, ดีกว่า การที่บวชโดยที่ไม่ได้มุ่งเพื่อการดับกิเลสแม้จะมีความรู้วิเศษสักปานใดก็ได้ชื่อว่ารู้เปล่าๆแต่ว่าการที่เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดนั้นเราไม่ได้ติว่าเป็นไม่รู้ไม่ดีไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลก็คงเป็นอันรู้อันดีเป็นบุญเป็นกุศลอยู่นั่นเองแต่ว่าเป็นความรู้ที่ผิดจากทางพระนิพพานดูก่อนอนน เราตถาคตเทศนาไว้โดยเอเนกปริยายนั้นก็เพื่อจะให้หมู่ปุถุชนคนเก่าเห็นเป็นอัศจรรย์และเพื่อให้ได้รับความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อภารชนทั้งหลายไม่เห็นเป็นอัศจรรย์แล้วก็จะไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระตถาคตถ้ากล่าวแต่น้อยพอเป็นสังเกตก็ไม่เข้าใจไม่เหมือนผู้ที่มีบุญมีวาสนาแม้จะกล่าวแต่เพียงเล็กน้อย ก็เข้าใจได้มากมายหลายอย่างหลายในายะธรรมชาติผู้ที่มีปัญญาแท้ไม่ต้องกล่าวอะไรเลยก็รู้ได้ด้วยปัญญาของตนเองไม่ต้องให้กล่าวเป็นการลำบากเราตาาคตได้รับความลำบากเพราะภาละปุถุชนเท่านั้นว่ากล่าวสั่งสอนแต่เพียงเด็กน้อยก็ไม่เข้าใจเพราะเขาถือว่าเขาดีเสียแล้วแท้ที่จริงความรู้ของเหล่าภารชนจะรู้ดีไปสักเท่าไหร่ ก็ดีอยู่แต่เพียงมีลมอัดศาสะปัดศาสะเท่านั้นถ้าลมอัดศาสะปัดสาสะขาดแล้วก็มีแต่เน่าเป็นเหยื่อนอนอ น, นอนกลิ้งเหนือแผ่นดินจะหาสาระสิ่งใดไม่มีเลยมีแต่เครื่องอาซูจิเต็มไปสิ้นทั้งนั้นจะถือแต่ว่าตัวมีความรู้ดีเมื่อมีความรู้ความดีแล้วจะไม่ตายหรือจะมีความรู้มากรู้หมายเท่าใดก็คงไม่พ้นตายไปได้ จะมีความรู้ดีวิเศษไปเท่าไรก็รู้ไปหาตายจะมีความรู้ความดีไปเท่าไรก็รู้อยู่บนแผ่นดินจะรู้จะดีให้พ้นแผ่นดินไปไม่ได้เมื่อลมยังมีก็อยู่เหนือแผ่นดินเมื่อลมออกแล้วก็คงอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเองจะพ้นจากแผ่นดินไปไม่ได้และจะมาถือตัวถือตนอยู่นั้นเพื่อประโยชน์อะไรส่วนของเน่าของเหม็นมีอยู่เต็มตัวก็ไม่รู้ไม่เห็นเห็นแต่ว่า ตัวรู้ตัวดีถือเนื้อถือตัวอยู่เราตาาคตเบื่อหน่ายความรู้ความดีของภาลปุถุชนมากนักดูก่อนอานอน o ์ธรรมดาบุคคลผู้ที่เป็นนักปรารถ์มีปรีชาทั้งหลายย่อมไม่ถือเนื้อถือตัวว่าเรารู้เราดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะมีความรู้มากมายเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถือเนื้อถือตัวเหมือนอย่างภาลปุถุชนพวกภาลปุถุชนที่เขาห่างไกลจากพระนิพพาน ก็พระเหตุที่เขาถือเนื้อถือตัวการถือเนื้อถือตัวมีมากเท่าใดก็ยิ่งทำให้ห่างไกลจากพระนิพพานมากขึ้นเท่านั้นเหตุว่าประตูเมืองพระนิพพานนั้นแคบนักหนาผมเส้นเดียวผ่าออกเป็นสามเสี้ยวเอาแต่เสี้ยวเดียวไปแยงเข้าที่ประตูพระนิพพานก็ยังคับแคบเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านต้องการพระนิพพานแล้วไม่ควรจะถือว่าตัวรู้ตัวดี เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงศักดิ์กว่าท่านยิ่งถือตนถือตัวขึ้นเท่าใดก็ยิ่งให้คับประตูพระนิพพานเข้าเท่านั้นจึงว่าภาลปุถุชนทั้งหลายเป็นผู้ห่างไกลจากพระนิพพานด้วยเหตุที่เขาหมูวถือเนื้อถือตัวว่าตัวรู้ตัวดีอยู่ดูก่อนอานนบุคคลที่เข้ามาบวชเป็นลูกศิษย์ของพระธถรคตแล้วยังปล่อยให้ตนได้รับความทุกข์อยู่ผู้นั้นเรากล่าวว่า เป็นภาลปูถุชนคือเป็นคนโง่เกลาผู้ที่ไร้ปัญญาเช่นนั้นจะเรียกว่าเป็นสิทธิ์ของพระตถาคตยังไม่ได้เมื่อบวชแล้วประพฤติตัวให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อนั่นแหลจึงจะเป็นลูกสิทธิ์ของพระตถาคตแท้เราตถาคตหวังเพื่อความสุขจึงได้ออกบวชเมื่อบวชแล้วมาทํำตนของตนให้เป็นทุกข์บุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนโง่เกลาเบาปัญญาหาที่เปรียบไม่ได้ ถ้าบุคคลผู้มีปัญญาแล้วไม่ทำตัวให้เป็นทุกข์เลยบุคคลผู้ไม่มีปัญญาจึงทำตัวให้เป็นทุกข์ไม่เฉพาะแต่นักบวชจําพวกเดียวแม้ขรัสถ้าหาปัญญามิได้ก็ได้รับความทุกข์ยากลาบากเหมือนกันปราชผููมีปรีชาเมื่อออกบวชแล้วท่านย่อมพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งประโยชน์และสิ่งซึ่งมิใช่ประโยชน์ท่านพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งศีลและข้อวัดที่หนักและเบาแล้ว ท่านไม่ต้องรักษามากมายหลายอย่างหลายประการนักเลือกรักษาแต่เล็กแต่น้อยก็ย่อมได้รับความสุขกายสบายใจผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญานั้นย่อมรักษามากมายหลายอย่างต่างๆนานาเพราะเหตุที่ต้องรักษามากเกินไปจึงเป็นทุกข์ผู้ที่มีปัญญาแล้วย่อมเลือกรักษาแต่สิ่งที่จริงที่แท้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขเปรียบเหมือนบุคคลผู้ฉลาด ไปตัดไม้ในป่ามาทํากิจอย่างหนึ่งเมื่อตัดได้แล้วก็ถากเปลือกและกระปริ้ทิ้งเสียเหลือไว้แต่ที่ต้องการนวัดตัดเอาแต่พอแก่การงานของตัวเท่านั้นไม่ต้องลําบากแก่การแบกการหามส่วนบุคคลที่ไม่ฉลาดไม่รู้เท่าต่อการงานที่พึงจะทําเมื่อไปตัดไม้ได้แล้วจะถากเอาแต่ที่ต้องการเพราะกลัวจะเสียเพราะตัวไม่เข้าใจการงาน ต้องแบกมาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งส่วนยาวได้รับความเหนื่อยหนักอย่างทวีคูณก็เพราะความที่ตัวเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาดูก่อนอานน์การที่รักษาแก้วไม่ดีไม่มีราคาแม้จะรักษามากหลายพันดวงก็สู้ผู้ที่รักษาแก้วที่ดีมีราคาดวงเดียวไม่ได้แก้วที่ไม่ดีไม่มีราคาจะขายก็ไม่ได้จะเก็บไว้ก็ไร้ประโยชน์ ตกลงต้องรักษาไ ป, ปเปล่าๆส่วนแก้วที่มีราคานั้นจะขายก็ได้เงินมากหากจะเก็บไว้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและการเรียนมนและเรียนคาถาที่ไม่ดีไม่ครั้งแม้จะเรียนตั้งร้อยตั้งพันบทก็สู้มนคาถาที่ดีที่ครั้งบทเดียวไม่ได้แม้การที่รักษาพระวินัยบัญญัติและข้อวัดก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อรู้ประโยชน์แห่งศีลและข้อวัดแล้วก็ไม่ต้องรักษามาก เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็รักษาพร่ำเพื่อไปจนไม่มีเขตแดนจึงต้องได้รับความลำบากเหมือนผู้ที่ไม่รู้การงานต้องแบกเอาไม้ทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งส่วนยาวไปเปล่าเปล่าฉะนั้นผู้มีปรีชาท่านรักษาวินัยและข้อวัดไม่มากแต่หากได้รับอนิสงเพียงพอเหมือนอย่างผู้รักษาแก้วดีดวงเดียวหรือผู้ที่เรียนมนและคาถาที่ดีที่ครั้งบทเดียวเท่านั้น ก็ให้สําเร็จประโยชน์ได้เต็มที่ฉะ น, นั้นดูก่อนอานน n การที่เราตถาคตต้องการให้บวชนั้นก็เพื่อจะให้ได้บุญและกุศลอะไรชื่อว่าเป็นตัวบุญตัวกุศลตัวบุญตัวกุศลนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นคือความดับเสียซึ่งกิเลสการรักษากิจวัตรและพระวินัยอย่างไรก็ตามถ้าดับกิเลสได้มากก็เป็นบุญมากถ้าดับกิเลสได้น้อยก็เป็นบุญน้อย ถัดกิเลสไม่ได้ก็ไม่เป็นบุญเลยบาปอากุศล น, นั้นก็ไม่ใช่อื่นคือตัวกิเลสนั้นเองกิเลสก็คือตัวตัณหานั่นเองดับกิเลสตัณหาได้เท่าใดก็เป็นบุญเท่านั้นถ้าดับกิเลสตัณหาไม่ได้ก็เป็นอันไม่ได้บุญไม่ได้กุศลเลยผู้ที่ไม่รู้จักบุญและบาปนั้นมาทำความเข้าใจว่าบวดรักษาข้อวัดรักษาศีลเอาบุญบุญนั้นมีอยู่นอกตนนอกตัว มีอยู่ที่ดินฟ้าอากาศเมื่อบวดได้รักษากิ จ, จวัตรแล้วบุญนั้นจกเลื่อนลอยมาจากสถานที่ต่างๆมีนภาไัลเวหาอากาศเป็นต้นมานำเอาตัวขึ้นไปสู่สวรรค์และพระนิพพานเห็นไปโดยผิดทางเช่นนี้ล้วนแต่เป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นดูก่อนอานน์ผู้ที่ไม่รู้จักบาปเข้าใจว่าบาปนั้นอยู่นอกตนนอกตัวเมื่อทาบาปแล้ว บาปนั้นก็จะลุกมาแต่นรกใต้พื้นดินมาจับกลุมคุมเอาตัวลงไปสู่นรกการทำความเข้าใจอย่างนี้ย่อมเป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นดูก่อนอา n o ์สุขก็ดีทุกข์ก็ดีบาปบุญคุณโทษก็ดีย่อมอยู่ที่เราจะเข้าใจว่าบาปบุญอยู่ภายนอกตัวทำบุญแล้วคอยท่าบุญจกมานําเอาตัวไปสู่สุขคติคิดอย่างนี้ ตั้งร้อยชาติแสนชาติก็ไม่อาจได้อันว่าบุญบาปสุขทุกย่อมไม่มีณภายนอกตัวบุญกุศลและความสุขนั้นก็คือดวงจิตส่วนบาปกรรมทุกโทษนั้นคือหมู่แห่งตัณหาตัณหานั้นจากมีนาที่อื่นนอกจากตัวตนของเราแล้วไม่มีตัวบุญและตัวบาปก็อยู่ที่ใจของเราเมื่อตัวไม่ชอบทุกอยากได้ความสุขก็จงพยายาม แก้ใจของเรานั้นเถิะถ้าเราไม่เป็นผู้แสวงหาความสุขและให้พ้นจากทุกข์แล้วใครเขาจะมาช่วยตัวเราให้พ้นจากทุกข์ให้ได้รับความสุขได้เล่าเพราะสุขทุกข์อยู่ที่ตัวของเราเมื่อเราหาไม่ได้แล้วใครคนอื่นที่ไหนเขาจะมาหาให้เราได้ดูก่อนอานอน์บุคคลผู้ที่เข้าใจว่าบุญกุศลสวรรค์และพระนิพพานมีผู้นามาให้ บาปกรรมทุกโทษนรกและสัตว์เดรัจฉานก็มีผู้พาไปทั้งสิ้นบุคคลผู้ที่เข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้หลงโลกหลงทางหลงสงสารบุคคลจำพวกนั้นแม้จะทำบุญให้ทานสร้างการกุศลใดๆที่สุดจนออกบวชในพระพุทธศาสนาก็หาความสุขไม่ได้จะได้เสวยแต่ความทุกโดยทานเดียวดูก่อนอานน์บุญกับสุขหากเป็นอันเดียวกัน เมื่อมีบุญก็ชื่อว่ามีความสุขบาปกับทุกข์ก็เป็นอันเดียวกันเมื่อมีบาปก็ได้ชื่อว่ามีทุกข์ถ้าไม่รู้บาปก็ละบาปไม่ได้ถ้าไม่รู้จักบุญก็หาบุญไม่ได้เปรียบเหมือนเราอยากได้ทองคำแต่เราหารู้ไม่ว่าทองคำนั้นมีรูปปั้์สันฐานอย่างไรถึงทองคำนั้นมีอยู่และเห็นอยู่เต็มตาก็ไม่อาจถือเอาได้โดยเหตุที่ไม่รู้จักแม้บุญก็เหมือนกัน ถ้าไม่รู้จักบุญก็หาบุญไม่ได้เดีายวว่าแต่บุญซึ่งเป็นของไม่มีรูปร่างเลยแม้แต่สิ่งของอื่นๆที่มีรูปมีร่างถ้าหากว่าเราไม่รู้จักก็ถือเอาไม่ได้ดูก่อนอานนบุคคลที่ไม่รู้จักบุญและไม่รู้จักสุขทำบุญจะไม่ได้บุญไม่ได้สุขเสียเลยเช่นนั้นตถาคตก็หากล่าวปฏิเสธไม่ทาบุญก็คงได้บุญและได้สุขอยู่นั่นแลแต่ทว่า ตัวหากไม่รู้ไม่เข้าใจบุญและความสุขก็ยังเกิดอยู่ที่ตัวนั่นเองแต่ตัวหากไม่รู้ไม่เข้าใจจึงเป็นอันมีบุญและสุขไว้เปล่าๆดูก่อนอาน o ์บุคคลจำพวกที่ไม่รู้จักบุญคือความสุขเมื่อทำบุญแล้วปรารถนาเอาความสุขน่าสมเพชเวทนานักหนาตัวทำบุญก็ได้บุญในทันใดนั่นเองมิใช่ว่าเมื่อทาแล้วนานๆจึงจักได ทำเวลาใดก็ได้เวลานั้นแต่ตัวไม่รู้นั่งทับนอนทับบุญอยู่เปล่าๆตัวก็ไม่ได้รับบุญคือความสุขเพราะตัวไม่รู้จึงว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนุ์ด้วยประการดังนี้ข้าแต่พระมหากัสสะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอา น, นุน ุคคที่เข้าใจว่าทำบุญไว้มากๆแล้วจะรู้และไม่รู้ก็ไม่เป็นไรบุญหากจากพาไปให้ได้รับความสุขเองเช่นนี้ชื่อว่าเป็นคนหลวงโดยแท้เพราะเหตุไรบุญจึงจกพาตัวไปให้ได้รับความสุขเพราะบุญกับความสุขเป็นอันเดียวกันเมื่อไม่รู้สุขก็คือไม่รู้จากบุญเมื่อเรารู้สุขเห็นสุขก็คือเรารู้บุญเห็นบุญนั่นเองจะให้ใครพาไปหาใครที่ไหน ดูก่อนอานุนสุขทุกนี้ใครจะช่วยใครไม่ได้ใครจะพาใครไปนรกและสวรรค์และพระนิพพานนั้นไม่ได้จะไปนรกหรือสวรรค์และพระนิพพานต้องไปด้วยตนเองจะพาเอาคนอื่นไปด้วยไม่ได้เป็นอันขาดก็แลผู้ใดอยากพ้นจากนรกสุขในเมืองผีก็จงทําตนให้พ้นจากนรกดิบในเมืองคนเรานี้เสียก่อนจึงจะพ้นจากนรกสุขในเมืองผีได้ ถ้าอยากได้ความสุขในภายหน้าก็จงทำตนให้ได้ให้ถึงสวรรค์ดิบในเมืองคนเรานี้เสียก่อนถ้าไม่ได้สวรรค์ดิบในเมืองคนนี้แม้เมื่อตายไปแล้วก็ไม่อาจได้สวรรค์สุขเลยถ้าไม่ได้สวรรค์ดิบไว้ก่อนแล้วตายไปก็มีนรกเป็นที่อยู่โดยแท้แม้ความสุขในสวรรค์ก็ยังไม่ปราศจากทุกไม่ใช่จะมีทุกแต่สวรรค์ดิบในเมืองคนเราเท่านั้นก็หาไม่ได้ ถึงสวรรค์สุขในชั้นฟ้าชั้นใดๆดก็ดีสุขกับทุกมีอยู่เสมอกันเป็นความสุขที่ยังไม่ปราศจากทุกไม่เหมือนพระนิพพานซึ่งเป็นเอกันตะบรมสุขมีแต่สุขโดยส่วนเดียวไม่ได้เจือปนด้วยทุกเลยดูก่อนอาน o น์อันว่าสวรรค์ดิบในเมืองคนเรานี้ก็คือความได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่มีสมบัติข้าวของกยรติยศปริวานยศและนามยศ เมื่อบุคคลผู้ใดได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่เช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ใดเสวยสุขในสวรรค์ดิบผู้ปรารถนาความสุขในภายภาคหน้าก็รงให้ได้รับความสุขแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่อย่าเห็นแก่ความลําบากยากแค้นในสวรรค์ชั้นใดๆจะเป็นสวรรค์ดิบในเมืองคนหรือสวรรค์สุขในเมืองฟ้าทุกชั้นย่อมเจือปนอยู่ได้ทุกทั้งนั้นไม่แปลกต่างกันและไม่มากไม่น้อยกว่ากัน ความสุขในสวรรค์ก็หากเป็นความสุขจริงจะว่าไม่สุขนั้นไม่ได้แต่ว่าเป็นสุขที่เจอือยู่ด้วยทุกข์แม้ถึงประนั้นก็คงดีกว่าตกอยู่ในนรกโดยแท้ดูก่อนอานน์สวรรค์ดิบในชาตินี้กับสวรรค์สุขในชาติหน้าอย่าสงสัยว่าจะต่างกันถึงจะต่างบ้างก็เพียงเล็กน้อยเมื่อต้องการความสุขเพียงใดก็จงภาคเพียนให้ได้แต่เมื่อยังมีชีวิต อยู่ในเมืองคนนี้จะนั่งจะนอนคอยให้สุขมหานั้นไม่ได้ไม่เหมือนพระนิพพานความสุขในพระนิพพานนั้นไม่ต้องนขนวายเมื่อจับถูกที่แล้วนั่งสุขนอนสุขได้ทีเดียวความสุขในพระนิพพานนั้นจะว่ายากก็เหมือนง่ายจะว่าง่ายก็เหมือนยากที่ว่ายากนั้นยากเพราะไม่รู้ไม่เห็นภาละปุถุชนคนตามืดทั้งหลายรู้ไม่ถูกที่ เห็นไม่ถูกที่จับไม่ถูกที่จึงต้องภาคเพียรพยายามหลายอย่างหลายประการและเป็นการเปล่าจากประโยชน์ด้วยส่วนท่านที่มีปัญญาพิจารณาถูกที่จับถูกที่แล้วไม่ต้องทำอะไรให้ยากหลายสิ่งหลายอย่างนั่งนั่งนอนๆอนๆอยู่เปล่าๆเท่านั้นความสุขในพระนิพพานก็มาบาังเกิดขึ้นแก่ท่านได้เสมอเพราะเหตุฉนั้นจึงว่าความสุขในพระนิพพาน ไม่เป็นสุขที่เจือปนไปด้วยทุกข์ดูก่อนอานน์เมื่ออยากรู้ว่าเราจะได้รับความสุขในสวรรค์หรือจะได้รับความทุกข์ในนรกก็จ้องสังเกตดูใจของเราในเวลาที่ยังไม่ตายนี้ใจของเรามีสุขมากหรือมีทุกข์มากทุกข์เป็นส่วนนรกดิบเมื่อตายแล้วก็ต้องไปตกนรกสุขสุขเป็นส่วนสวรรค์ดิบเมื่อตายแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์สุขเมื่อยังเป็นคนอยู่ มีสุขหรือทุกข์มากเท่าใดแม้เมื่อตายไปก็คงมีสุขและมีทุกข์มากเท่านั้นไม่มีพิเศษกว่ากันบุคคลผู้ปรารถนาความสุขในภพนี้และภพหน้าแล้วจงรักษาใจให้ได้รับความสุขส่วนตัวตนร่างกายข้างนอกนั้นไม่สําคัญจะได้รับความสุขความทุกข์ประ ก, การใดก็ช่างเถิดเมื่อตายแล้วก็ทิ้งอยู่เหนือแผ่นดินหาประโยชน์ไม่ได้ส่วนใจนั้น เป็นของติดตามตนไปในอนาคตเบื้องหน้าได้เพราะจิตใจเป็นของไม่ตายที่ว่าตายนั้นตายแต่รูปร่างกายธาตแตกขันดับเท่านั้นถ้าจิตใจต า, ตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายต่อไปอีกกล่าวคือถึงพระนิพานดูก่อนอานนในอดีตชาติเราตถาคตก็ได้ลงท่องเที่ยวอยู่ในวังสารวัตรนี้ช้านานนับด้ร้อยด้วยพันแห่งชาติเป็นอันมาก ทำบุญทำกุศลก็ปรารถนาแต่จะให้พ้นทุกข์ให้สวัสสุขในเบื้องหน้าเข้าใจว่าตายแล้วจึงจะพ้นจากทุกข์ครั้นเมื่อตายจริงก็ตายแต่ธาตุแต่ขันเท่านั้นส่วนใจนั้นไม่ตายจึงต้องไปเกิดอีกเมื่อไปเกิดอีกก็ต้องตายอีกเมื่อเป็นเช่นนี้จะพ้นทุกข์ได้อย่างไรที่นิยมกันว่าตายก็คือตายเน่าตายเหม็นกันอยู่อย่างทุกวันนี้ชื่อว่าตายเล่นตายไม่แท้ ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายหาต้นหาปลายไม่ได้ที่ตายแท้ตายจริงคือตายทั้งรูปแตกขันดับตายทั้งจิตทั้งใจมีแต่พระพุทธเจ้ากับเหล่าพระอรหันต์ขีนาตบเท่านั้นท่านเหล่านี้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกดูก่อนอานนนในอดีตชาติเมื่อเรายังไม่รู้เข้าใจว่าตายแล้วจึงจะพ้นทุกข์ทาบุญทากุศลก็มุ่งเอาแต่ความสุขในเบื้องหน้า ขั้นตายไปก็หาได้พ้นจากทุกข์ตามความประสงค์ไม่มาปัะชิมวชาตินี้เราจึงรู้ว่าสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ที่ตัวนี้เองเราจึงได้รีบเร่งปฏิบัติให้ได้ให้ถึงแต่เมื่อยังเป็นคนอยู่จึงพ้นจากทุกข์และได้เสวยสุขอันปราศจากอามิ t h เป็นพระบรมครูสั่งสอนเวนยสัตต์อยู่ทุกวันนี้ข้าแต่พระมหากรสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนา แก่ข้าอานนท์ดังนี้แหลลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์ความทุกข์ในนรกและความสุขในสวรรค์และพระนิพพานนั้นใครจะช่วยใครไม่ได้เมื่อใครชอบอย่างใดก็ทำอย่างนั้นแม้เราตาคตก็ช่วยใครให้พ้นทุกข์และช่วยใครให้ได้สวรรค์และพระนิพพานไม่ได้ได้แต่เพียงสั่งสอนชี้แจงให้รู้สุครู้ทุกข์ ให้รู้พระนิพพานด้วยวาจาเท่านั้นอันกองทุกข์โทษบาปกรรมทั้งปวงนั้นก็คือตัวกิเลสตัณหาครั้นดับกิเลสตัณหาได้แล้วก็ไม่ต้องตกนรกถ้าดับกิเลสตัณหาได้มากก็ขึ้นไปสวยสุขอยู่ในสวรรค์ถ้าดับกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิงหาเศษีิได้แล้วก็ได้สวยสุขในพระนิพพานทีเดียวเราตถาคตบอกให้รู้แต่ทางไปเท่านั้น ถ้าผู้รู้ทางแห่งความสุขแล้วประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ประสบสุขสมประสงค์อย่าว่าแต่เราตถาคตเลยแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วนับไม่ถ้วนก็ดีและจักมาตัสรู้ในการเป็นภายหลังก็ดีจักมาช่วยพาเอาสัตว์ทั้งหลายไปให้พ้นจากทุกข์แล้วให้ได้เสวยสุขเช่นนั้นไม่มีมีแต่มาแนะนําสั่งสอนให้รู้สุขรู้ทุกข์รู้สวรรค์และพระนิพพาน อย่างเดียวกับเราตถาคตนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงไว้ซึ่งทศพลลยานมีอาการเหมือนอย่างเราตถาคตนี้ทุกๆองค์บุคคลจําพวกใดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าต่างกันด้วยศีลด้วยชานด้วยยานด้วยอิทธิบุคคลจําพวกนั้นเป็นคนหลงผู้ที่ได้นามว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องมีทศพลและยานสาหรับขับขี่เข้าสู่พระนิพพานด้วยการทุกองค์ จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราพระองค์เดียวนั้นหามิได้ผู้ใดมีทศพลยานผู้นั้นได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกองค์ไม่ควรจะมีความสงสัยยานสิทธิประการนั้นเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มียานสิทธิประการแล้วจะรู้ดีมีอิทธิดำดิมบินบนได้อย่างไรก็ตามก็ไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าถ้ามียานสิทธิประการแล้ว จะไม่มีอิทธาสักดานุภาพอย่างไรก็ตามก็ให้เรียกท่านผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าพราะทศพลยานสิทิประการเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้ผู้ใดมีฤทธิ์มีเดชขึ้นก็จะตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าเต็มบ้านเต็มเมืองก็จะเป็นทางแห่งความเสียหายไาวโลกเท่านั้นดูก่อนอานอนทศพลยานสิทธิประการนั้น เป็นของสําคัญอยู่สําหรับโลกไม่มีผู้ใดแต่งตั้งขึ้นเป็นแต่เราตถาคตเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนแล้วยกออกตีแผ่ให้โลกเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายบาเพ็ญญาณสิบประการได้แล้วก็ขับขี่เข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ปล่อยวางญาณ น, นั้นไว้ให้แก่โลกตามเดิมหาได้เอาตัวตนจิตใจเข้าสู่พระนิพพานด้วยไม่เอาจิตใจไปได้เพียงนรกและสวรรค์ และพรมโลกเท่านั้นส่วนพระนิพพานนั้นถ้าดับจิตใจไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าจะเอาจิตไปเป็นสุขในพระนิพพานแล้วต้องหลงขึ้นไปเป็นอรู ป, ประพรมเป็นแน่ดูก่อนอานนท์การตกนรกและขึ้นสวรรค์จะเอาตัวไปไม่ได้เอาแต่จิตไปจิตนั้นใครจับต้องรูปคลำไม่ได้เป็นแต่ลมเท่านั้นเพราะจิตเป็นของละเอียด ใครจะจับถือไม่ได้เมื่อจิตไปตกนรกใครจะไปช่วยยกขึ้นได้ถ้าจิตนั้นเป็นตัวเป็นตนก็พอช่วยกันได้บุคคลจำพวกใดคอยท่าให้ผู้อื่นมาช่วยยกตัวให้พ้นจากทุกข์นำตัวไปให้ได้เสวยสุขบุคคลจำพวกนั้นเป็นคนโง่เขลาหาปัญญามิได้แต่เราตถาคต ร, รู้นรกสวรรค์ทุกสุขอยู่แล้วและหาอุบายที่จะพ้นจากทุกข์ ให้ได้เสวยสุขก็เป็นการแสนยากแสนลำบากจะไปพาจิตใจของท่านผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรถึงแม้พระพุทธเจ้าวงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าก็เหมือนกันมีแต่แนะนำสั่งสอนให้รู้สุขทุกข์สวรรค์และพระนิพพานเท่านั้นผู้ที่จะต้องการสุขทุกข์อย่างใดนั้นแล้วแต่อัตยาสัยแต่ว่าต้องศึกษาให้รู้แท้แน่นอนแก่ใจเสียก่อนว่า ทุกในนรกเป็นอย่างนั้นสุขในสวรรค์เป็นอย่างนั้นสุขในพระนิพพานเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วยังจะมีทางได้ทางถึงบ้างคงจะไม่ท่องเที่ยวอยู่ในวตัตฏะสงสารเนิ่นนานเท่าไหร่นักถ้าไม่รู้แจ้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่อาจจากพ้นได้เลยและได้ชื่อว่าเป็นผู้เกิดมาเสียชาติเป็นมนุษย์เสียความปรารถนาเดิมซึ่งหมายว่าจะเป็นผู้เกิดมาเพื่อความสุข ครั้นเกิดมาแล้วก็พลอยไม่ให้ตนได้รับความสุขซ้ำยังตนให้จมอยู่ในนรกทำให้เสียสัตว์ความปรารถนาแห่งตนน่าสังเวชสลดใจยิ่งนักข้าแต่พระมหากสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานน์ดังนี้แหละข้าแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระมหากสปะเป็นประธานอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเทศนาแก่ข้าอานน์ สืบต่อไปว่าดูก่อนอาน o ์อันว่าความทุกข์และความสุขนั้นก็มีอยู่แต่นรกและสวรรค์เท่านั้นส่วนพระนิพพานมีอยู่นอกสวรรค์และนรกตั้งหากบัดนี้จะแสดงทุกข์และสุขในนรกและสวรรค์ให้แจ้งก่อนจิตใจของเรานี้เมื่อมีทุกข์หรือมีสุขแล้วใครจะสามารถมาช่วยยกออกจากจิตใจของเราได้อย่าว่าแต่ตัวเราเลย แม้ท่านผู้อื่นเราก็ไม่สามารถจะช่วยยกออกได้มีอาการเหมือนกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตนสัตว์บุคคลอันหนึ่งเมื่อท่านมีทุกข์แล้วจะนําทุกข์ของท่านมาให้เราก็ไม่ได้เรามีทุกข์แล้วจะนําทุกข์ไปให้ท่านผู้อื่นก็ไม่ได้แม้ความสุขก็มีอาการเช่นกันสุขและทุกข์ไม่มีใครจะช่วยกันได้สิ่งที่จะช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้ มีแต่อํานาจแห่งกุศลผลบุญมีการให้ทานและรักษาศีลเป็นต้นเท่านั้นที่จะเป็นผู้ช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้มนุษย์และเทวดาอินพรหมและใครๆจะมาช่วยให้พ้นทุกข์และให้ได้เสวยสุขนั้นไม่ได้ที่สุดแม้เราสถาคตผู้ส่งไว้ซึ่งทศพลและานเห็นปานนี้ก็ไม่อาจช่วยใครได้ได้แต่เป็นผู้ช่วยแนะนําตักเตือนให้รู้สูตทุกข์ และสวรรค์นรกเท่านั้นตัวต้องยกตัวเองถ้ารู้ว่านรกและสวรรค์อยู่ที่ตัวแล้วยกตัวให้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ก็ชื่อว่าเกิดมาเสียชาติและเสียเวลาที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาน่าเสียดายชาติที่ได้เกิดเป็นรูปร่างกายมีอวัยวะพรักพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างทั้งได้พบพระพุทธศาสนาด้วยสมควรจะได้สวรรค์และพระนิพพานโดยแท้ เหตุไฉ น, นจึงเหยียบย่ำตัวเองให้จมอยู่ในนรกเช่นนั้นน่าสังเวชยิ่งนักดูก่อนอาน o ์สุขทุกขนั้นให้หมายเอาที่จิตจิตสุขเป็นสวรรค์จิตทุกขเป็นนรกจะเข้าใจว่านรกและสวรรค์มีอยู่นอกจิตนอกใจเช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนหลงนรกและสวรรค์บาปบุญคุณโทษย่อมมีอยู่ในอกในใจทั้งสิ้นอยากพ้นทุก ก็ให้รักษาจิตใจจากสิ่งที่เป็นทุกข์เสียถ้าต้องการสวรรค์ก็ทำการงานที่หาโทษมิได้เพราะการบุญการกุศลนั้นเมื่อทำก็ไม่เดือดร้อนและเมื่อทำแล้วระลึกถึงก็ให้เกิดความสุขสำราญเบิกบานใจทุกเมื่อเช่นนี้ชื่อว่าเราได้ขึ้นสวรรค์และถ้าอยากได้สุขในพระนิพพานก็ให้วางเสียซึ่งสุขและทุกข์คือวางจิตใจอย่าถือว่าเป็นของของตน ก็ชื่อว่าได้ถึงพระนิพพานเพราะว่าใจเป็นใหญ่เป็นประธานสุขทุกข์ทั้งสวรรค์และพระนิพพานสำเร็จแล้วด้วยใจคือว่ามีอยู่ที่จิตที่ใจของเราทั้งสิน้นบุคคลจำพวกใดไม่รู้ว่าของเหล่านี้มีในตนแล้วไปเที่ยวค้นคว้าหาในที่อื่นบุคคลจำพวกนั้นชื่อว่าเป็นคนหลงคนเมาเป็นผู้หนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหามืดมน อยู่ด้วยมนทินแห่งนรกดูก่อนอานน์ส์ที่ตกอยู่ในนรกมากมายนับไม่ได้แน่นอัดยัดเยียดกันอยู่ในนรกดังข้าวสารหรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาในกระสอบแต่ก็ไม่เห็นกันได้ด้วยเขาไม่รู้ไม่เห็นซึ่งนรกไม่รู้สุขทุกข์บาปบุญคุณโทษไม่รู้ว่าจิตของตนเป็นทุกข์เป็นสุขมีแต่มัวเมาอยู่ด้วยตัณหาการบราคาธิกิเลต จึงชื่อว่าตกอยู่ในนรกยัดเยียดกันดังข้าวสารหรือมเมล็ดถั่วมเมล็ดงาในกระสอบร้องเรียกหากันไม่เห็นกันคือไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นสุขแห็นกันและกันเท่านั้นเองดูก่อนอานนท์จิตใจนั้นใครไม่แลเห็นของกันและกันได้ผู้ที่รู้เห็นจิตใจของผู้อื่นได้นั้นมีแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นพระพุทธเจ้า ที่จะรู้เห็นจิตใจของผู้อื่นได้ก็ด้วยญาณแห่งพระอระหันต์ถ้าละกิเลสตัวร้ายมิได้คุณความเป็นแห่งพระอระหันต์ก็ไม่มาตั้งอยู่ในสันดานจึงไม่อาจอย่างรู้วาราจิตของสัตว์ทั้งปวงได้แม้พระตถาคตจะอย่างรู้วาราจิตของสัตว์ทั้งปวงได้ก็เพราะปราศจากกิเลสคือความเป็นไปแห่งพระอระหันต์บุคคลผู้ที่ไม่พ้นกิเลสคือไม่ได้สำเร็จพระอระหรันต์ และจะมาปฏิญญาว่ารู้เห็นจิตแห่งบุคคลอื่นจะควรเชื่อฟังได้ด้วยเหตุใดถึงแม้จะรู้ด้วยวิชาคุณอย่างอื่นรู้ด้วยสมาธิคุณเป็นต้นก็รู้ไปไม่ถึงไหนแม้จะรู้ก็รู้ผิดผิดถูกถูกไปอย่างนั้นจะรู้จริงแจ้งชัดดังที่รู้ด้วยอรหัตตะคุณนั้นไม่ได้ถ้าบุคคลที่ยังไม่พ้นกิเลสมีความรู้ดียิ่งกว่าเราต ถ, ถาคตผู้เป็นพระอระหันต์แล้ว การที่เราตถาคตสละบุตรภรรยาทรัพสมบัติอันเป็นเครื่องเจริญแห่งความสุขออกบุตรนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่โง่เขลากว่าบุคคลจะพวกนั้นเพราะเขายังจมอยู่ในกิเลสแต่มีความรู้ดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ไกลาจากกิเลสข้อที่ละกิเลสไม่ได้คือไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วจะมีปัญญารู้จิตใจแห่งสัตว์ทั้งหลายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหรันต์ หรือจะมีปัญญารู้เสมอกันนั้นไม่มีเลยผู้ที่ยังละกิเลสไม่ได้คื อ, อยังไม่ได้สําเร็จพระอระหรันต์เมื่อกล่าวว่าตนรู้เห็นจิตใจของสัตว์ทั้งหลายนั้นกล่าวอวดเปล่าๆความรู้เพียงนั้นยังพ้นนรกไม่ได้ไม่ควรจะเชื่อถือถ้าใครเชื่อถือก็ชื่อว่าเป็นคนนอกพระศาสนาไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราตถาคตแท้ที่จริง หากเอาศาสนธรรมอันวิเศษของเรานี้บังหน้าไว้สาหรับหลอกลวงโลกเท่านั้นบุคคลจาพวกนี้แม้จะทำบุญกุศลเท่าไหร่ก็ไม่พ้นนรกแม้ผู้ที่มาเชื่อถือบุคคลจาพวกนี้ก็มีทุกขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเหมือนกันดูก่อนอาน o n บุคคลจาพวกที่อวดรู้อวดดีอย่างนี้แหละจะเป็นผู้เบียดเบียนศาสนาของเราให้เศร้าหมองเสื่อมทรามลงไป เมื่อเขาเกิดมาแล้วก็จะมาเบียดเบียนพระมหาเถระและสัมมาเนนน้อยด้วยถ้อยคำอันไม่เจริญใจผู้มีปัญญาน้อยใจเบาก็จะพากันแตกตื่นละสิกขาลาเพศออกจากศาสนาพระศาสนาของเราก็จะเสื่อมถอยลงไปดูก่อนอานนทุคคลจาพวกใดหากเบียดเบียนเสียดสีบินประมาทในพระสังฆเถระและภิกษุสัมเนน ที่เป็นสิทธิ์ของพระตถ า, าคตโดยที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีโทษไม่ถึงประชิกและบังคับให้ศึกบอกจากเพศพรหมจันทร์หรือกระทาปปพาชนิยกรรมไปเสียก็ดีบุคคลจำพวกนั้นเป็นบาปยิ่งนักไม่อาจพ้นนรกได้บุคคลจำพวกใดมีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณธรรมคำสั่งสอนของเราตถ า, าคตแล้วเชิดชูยกย่องไว้ให้ดีไม่ได้ดูถูกดูหมิน่น บุคคลจำพวกนั้นก็จะมีความเจริญด้วยความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าแม้ปรารถนาความสุขอันใดซึ่งไม่เหลือวิสัยก็อาจสำเร็จสุขอันนั้นได้ตามปรารถนาบุคคลที่ทำลายพระพุทธรูปพระสถูปพระเจดียและตัดไม้สีมหาโพและบุคคลจำพวกที่กล่าวมินประมาทเย้ยหยันแก่สานุสิทธิ์ของเราสถาคตที่มีโทษไม่ถึงประชิกบุคคลจำพวกนี้มีโทษหนัก ยิ่งกว่าจำพวกที่ทำลายพระพุทธรูปและพระสถูปพระเจดีย์นั้นหลายเท่าบุคคลที่ทำลายพระพุทธรูปเป็นต้นนั้นเป็นบาปมากก็จริงอยู่แต่ยังไม่นับว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาผู้ที่กล่าวมิ่นประมาทนั้นได้ชื่อว่าทำลายศาสนาของพระตถาคตเพราะว่าผู้ที่มีความผิดโทษไม่ถึงประชิกนั้นยังนับว่าเป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตอยู่ต่เมื่อเป็นประชิกแล้ว จึงขาดจากความเป็นลูกศิษย์ของเราถ้าเป็นโทษเช่นนั้นแม้จะลงโทษหรือกระทําประพาธนิยกรรมก็หาโทษไม่ได้และได้ชื่อว่าช่วยพระาศาสนาของเราด้วยการทําลายพระพุทธรูปหรือพระสถูปพระเจดียนั้นยังมีทางเป็นกุศลได้อยู่ดังพระพุทธรูปไม่ดีไม่งามแล้วทําลายเสียแก้ไขให้งามให้ดีขึ้น แม้พระเจดีย์และไม้สีมหาโพธิก็เช่นกันต้นโพธิ์ที่ตั้งอยู่ในที่ไม่สมควรเห็นตั้งอยู่ในที่ใกล้ถาวราวัตถุอาจทําลายถาวราวัตถุนั้นได้จะตัดเสียก็หาโทษมิได้ถ้าทําลายเพื่อหาประโยชน์แก่ตนหรือทําลายโดยความอิจฉาริษยาเช่นนั้นย่อมเป็นบาปเป็นกรรมโดยแท้แม้ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการทาลายศาสนาพวกที่มินประมาท ทำให้สงฆ์ที่มีโทษยังไม่ถึงอันติมะให้ได้รับความเดือดร้อนถึงแก่เสื่อมจากพรมจรรย์ได้ชื่อว่าทำลายพระพุทธศาสนาโดยแท้ข้าแต่พระมหากัสปะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล้วจึงตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์สืบต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลที่ปรารถนาซึ่งสวรรค์และพระนิพพาน ก็จงรีบภาคเพียนกระทําให้ได้ให้ถึงแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะมีอยู่ที่ใจของเราทุกอย่างจะเป็นการลําบากมากอยู่ก็แต่พระนิพพานผู้ที่ปรารถนาความสุขในพระนิพพานจงทําตัวให้เหมือนแผ่นดินหรือเหมือนดังคนตายแล้วคือให้ปล่อยความสุขและความทุกข์เสียก็สําคัญก็คือให้ดับกิเลสพ500นั้นเสียกิเลสพ5 0 0้อนั้น เมื่อย่อนลงให้สั้นแล้วก็เหลืออยู่ห้าเท่านั้นคือโลภะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งมานะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งโลภะนั้นคือความทะเยอทยานมุ่งหวังอยากได้กิเลสกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะหนึ่งอยากได้วัตถุกามคือสมบัติเข้าของซึ่งมีวิญญาณและหาวิญญาณไม่ได้หนึ่งเหล่านี้ชื่อว่าโลภะโทสะนั้น ได้แก่ความเคืองแค้นประทุสร้ายเบียดเบียนท่านผู้อื่นชื่อว่าโทสะโมหะนั้นคือความหลงมีหลงรักหลงชังหลงราบหลงยศเป็นต้นชื่อว่าโมหะมานะนั้นคือความถือตัวถือตนดูถูกดูหมิน่นท่านผู้อื่นชื่อว่ามานะทิฏฐินั้นคือความถือมั่นในลัทธิอันผิดเห็นเป็นอุจเฉททิฏฐิและสัสตะทิฏฐิไป ปล่อยวางความเห็นผิดไม่ได้ชื่อว่าทิฏฐิถ้าดับกิเลสทั้งห้านี้ได้แล้วก็ชื่อว่าดับกิเลสได้ทั้งสิ้นพัน 5,000 ้า้อถ้าดับกิเลสทั้งห้านี้ไม่ได้ก็ชื่อว่าดับกิเลไส 1, เล ไ, ม ไ, เลไม่ได้เลยดูก่อนอานนุนพุทุชนคนหนาทั้งหลายที่ปรารถนาพระนิพพานได้ด้วยยากนั้นก็เพราะเหตุที่ไม่รู้จักดับกิเลสตัณหาเข้าใจเสียว่าทำบุญทากุศลให้มากแล้ว บุญกุศลนั้นจากเลื่อนลอยมาจากอากาศเวหานําตัวขึ้นไปสู่พระนิพพานส่วนว่าพระนิพพานนั้นจะอยู่แห่งหนตนตำบลใดก็หารู้ไม่เป็นแต่คาดคะเนเอาอย่างนั้นจึงได้พระนิพพานด้วยยากแท้ที่จริงพระนิพพานนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นไกลเลยหากมีอยู่ที่จิตใจนั้นเองครรดโลภโทสะโมหะมานะทิฏฐิได้ขาดแล้ว ก็ถึงพระนิพพานเท่านั้นถ้าไม่รู้ในดับกิเลสตัณหายังไม่ได้เป็นแต่ปรารถนาว่าขอให้ได้พระนิพพานดังนี้แม้สิ้นหมื่นชาติแสนชาติก็ไม่ได้พบปะเลยเพราะกิเลสตัณหาทั้งหลายย่อมมีอยู่ที่ตัวตนของเราทั้งสิ้นเมื่อตัวไม่รู้จักระงับกิเลสตัณหาที่มีอยู่ให้หมดไปก็ไม่ได้ไม่ถึงเท่านั้น จะคอยท่าให้บุญกุศลมาช่วยระงับดับกิเลส ข, ของตัวเช่นนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะพึงคิดบุญกุศลนั้นก็คือตัวเรานี้เองเราแลจะเป็นผู้ระงับดับกิเลสให้สิ้นไปหมดไปจึงจะสําเร็จได้สมประสงค์ดูก่อนอานนทูถุชนคนเก่าทั้งหลายที่ได้ถึงพระนิพพานด้วยยากนั้นเพราะเขาปรารถนาเปล่าๆจึงไม่ได้ไม่ถึง เขาไม่รู้ว่าพระนิพพานอยู่ที่ในใจของเขามีแต่คิดในใจว่าจะไปเอาในชาติหน้าหารู้ไม่ว่านรกและสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ในตนเหตุฉะนั้นจึงพากันตกทุกข์ได้ยากลำบากยิ่งนักพากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ถือเอากำเนิดในภพน้อยภพใหญ่อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดข้าแต่พระมหากัสสปะพระพุทธเจ้า ตรัสเทศนาแก่ค่าอานนท์ด้วยประการดังนี้แล้วจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานน์บุคคลผู้มีปัญญาพึงคิดถึงตนแล้วปรับใจของตนให้พ้นจากทุกข์และความลาบากและให้ออกจากบ่วงแห่งกิเลสมานให้ได้เถิดถ้าไม่คิดอย่างนี้แม้จะมีปัญญาก็มีเสียเปล่าไม่นับเข้าในจำนวนที่มีปัญญา กิร <SPEAK. S 1> ิยาที่พ้นทุกข์พ้นยากและพ้นออกจากบ่วงแห่งกิเลสมาได้ก็คือพ้นจากกิเลสตัณหาของเราเมื่อพ้นจากกิเลสตัณหาได้เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าพ้นจากความทุกข์ความยากโดยสิ้นเชิงถ้ายังไม่พ้นก็ได้ชื่อว่ายังไม่พ้นจากความทุกข์ความยากเมื่อตนยังไม่หลุดไม่พ้นก็ไม่ควรสั่งสอนผู้อื่นเพราะตัวยังไม่พ้นจะสั่งสอนผู้อื่นให้พ้นได้ด้วยอาการอย่างไร เรียบเหมือนบุคคลจะข้ามแม่น้ำถ้าตัวของเราข้ามไปถึงฝั่งฝากโน้นแล้วจึงร้องบอกให้ท่านผู้อื่นข้ามมาตามตนเช่นนี้สมควรแท้เมื่อเราร้องบอกเขาแล้วเขาจะพอใจไปหรือหาไม่ก็แล้วแต่ใจเขาส่วนตัวของเราข้ามไปได้สมประสงค์แล้วก็อุปมานี้ชันใดผู้ที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ ก็ต้องทําตัวให้พ้นทุกข์เสียก่อนจึงสมควรจะสอนคนอื่นมีอุปมาเหมือนผู้ที่จะพาข้าแม่น้ำํำฉะนั้นบุคคลที่เปลื้องตัวให้พ้นออกจากกองกิเลสยังไม่ได้แล้วจะไปเปลื้องปรดสัตว์ในป่าช้าผีทั้งหลายเขาจะหัวรเราะเจาะเย้ยว่าอะโหโอหนตัวของท่านก็ยังไม่พ้นทุกข์แล้วจะมาพาเอาพวกข้าพเจ้าออกจากทุกข์ได้อย่างไรตัวของท่านและพวกข้าพเจ้า ก็ยังไม่พ้นนรกอยู่เหมือนกันจะมาพาพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากนรกได้ด้วยอาการอย่างไรดูก่อนอานนท์การที่จะระงับดับกิเลสก็ให้ระงับบริโภคสองประการให้เบาบางลงบริโภคสองนั้นคือจีวรปัดใจและเสนาสนะปัจใจสองอย่างนี้ชื่อว่าบริโภคภายนอกนับเป็นหนึ่งบินทบาทปัจัยและขีฬานะปัจจสองอย่างนี้ ชื่อว่าบริโภคภายในนับเป็นอย่างหนึ่งบริโภคทั้งสองอย่างนี้เป็นตัวกิเลสตัวทุกตัวสุขสิ้นทั้งนั้นถ้าบริโภคสองนี้มากขึ้นเท่าใดทุกก็มากขึ้นไปตามเท่านั้นถ้าบริโภคสองนี้น้อยลงทุ ก, ก็น้อยลงความสุขก็มากขึ้นคือว่าบาปน้อยลงเท่าใดบุญกุศลก็มากขึ้นเท่านั้นอันบุญกุศลก็มีอยู่ที่ตัวบุคคลทั้งสิ้น ผู้ที่ละบริโภคสองนั้นได้แล้วนรกก็พ้นสวรรค์และพระนิพพานสิ่งใดๆก็ได้ในที่นั้นดูก่อนอานอน o ์บุคคลที่บวชเข้ามาแล้วไม่รู้จักระ ง, งับดับกิเลสคือบริโภคสองให้เบาบางเข้าใจว่าบวชรักษาศีลถือครองวัดเอาบุญไม่หาอุบายระ ง, งับดับกิเลสและบริโภคสองจะได้บุญได้ความสุขมาแต่ที่ไหนถ้าคิดอย่างนั้น แม้จะรักษาศีลตลอดพระปฏิโมกและทุดงควัตก็หากเป็นอันรักษาเปล่ารักษาให้เหนื่อยยากลําบากกายเปล่าไม่อาจเป็นบุญกุศลได้พระปฏิโมกทุดงควัตทั้งหลายที่ทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้นั้นก็เพื่อให้เป็นเครื่องระงับดับกิเลสปัญหาคือบริโภคทั้งสองถ้าระงับไม่ได้ก็ไม่เป็นบุญเป็นกุศลผู้ที่ทําความเข้าใจว่าพระปฏิโมกและทุดงควัต จะช่วยยกตัวให้ขึ้นไปสวรรค์และพระนิพพานเช่นนี้เป็นความเห็นของคนที่โง่เขลาเบาปัญญาจากไม่พ้นทุกเลยบริโภคทั้งสองนั้นได้ชื่อว่าปริโภคสองที่แปลว่าความกังวลการรักษาพระปฏิโมกและทุดงควัตรก็เพื่อจะตัดปริโภคคือความกังวลให้เบาบางลงได้เท่าใดก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสวรรค์และพระนิพพานขึ้นไปเท่านั้น พระพุทธเจ้าย่นโอวาทคำสั่งสอนลงสู่ปริพภธสองว่าเป็นที่สุดโดยสิ้นเชิงคือว่านรกสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ที่ปริพุธสองครบบริบูรณ์ผู้ศึกษาเล่าเรียนจะรู้มากรู้น้อยเท่าไรไม่นิยมรู้มากหรือรู้น้อยถ้าระงับปริพภธนั้นได้ก็เป็นการดีจะอยู่วัดบ้านหรือวัดป่าประการใดก็ตามถ้าระงับปริพธสองนั้นได้ ย่อมเป็นความดีความชอบทั้งสิ้นถ้าระงับปริพภ o t สองนั้นไม่ได้แม้จะรู้มากมายและอยู่วัดบ้านวัดป่าประการใดย่อมไม่ดีทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเป็นใจความอย่างนี้อันดับนั้นจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนธรรมนี้ชื่อว่าพระยาธรรมิกราชเพราะเป็นใหญ่กว่าธรรมทั้งหลาย ข้อที่เราตถาคตได้ตรัสไว้แล้วในธรรมหมตดนี้คือได้ชี้นรกสวรรค์และพระนิพพานกิเลสตัณหาโดยจะแจ้งสิ้นเชิงเมื่อผู้ใดได้ฟังแล้วปรารถนาสุขทุกประการใดก็จงเลือกประพฤติตามความปรารถนาข้าแต่พระมหากัสสปะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอา น, นุนดังนี้ขอพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจงทราบด้วยพรรยาของตน โดยนายยะดังข้าพเจ้าอาห น, น์แสดงมานี้เทินแล้วพระองค์ก็หยุดไม่ทรงตรัสเทศนาอีกต่อไปข้าพเจ้ากราบถวายบังคมแล้วก็กลับไปสู่สำนักท่านคิริมานน์แสดงสัญญาทั้งสองประการคือรูปประสัญญานามสัญญาให้พระผู้เป็นเจ้าฟังโดยพุทธบริหารทุกประการท่านคิริมานน์กาหนดตามพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหัตผล ในขณะที่วางธุระในรูปในนามโรคภัยของท่านที่เจ็บปวดเบื่อทนาก็อันตรธานหายในขณะนั้นข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระสูตรนี้จะได้ชื่อว่าพระยาธรมมิกสูตรตามรับสั่งนั้นก็จะเสียนิมิตไปเพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าคิริมาโนนเป็นนิมิตพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาที่วัดเชตวันารามปราลบ พระคิริมาน์นเกิดอาพาธให้เป็นเหตุจึงได้ชื่อว่าคิริมานนท่าสูตมีเนื้อความดังแสดงมานี้แล